ตัวจากที่เราได้สาธยายพระสูตรนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้มีการยํำลงไปอีกในการศึกษาปฏิบัติอย่าได้ประมาท ชีวิตของเราเนี่ยผลาแฉ่เท่านำเข้าไม่ยั่งยืนใกล้เราไปทุกขณะขณะเราจะมีอะไรที่เป็นแฉนฉานในการที่เรามีชีวิตผ่านมานี่หลงต่อเดินจากกติมานี่ก็เหน่วยแล้วทุกวันแน่ เดินมาทำวัดเตินกลับไปก็เหนื่อยมันก็หมดไปอย่างนี้ต่อแหอะจะย้ายมาจูแถวๆกติดินทิตะวันตกของหอไใจเนี่ยมันวัชพ่าไปเรื่อยๆ อย่ามัเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่ามาวเมาในเพศในวัยอย่ามัเมาในทรัพย์สินสดึงคารอะไรมากเกินไงเตรียมเาไว้เตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเมรานท่านว่าเตรียมแบ่งก่อนเดิน เวลาเราไม่เตรียมล้วจะไปไหนไม่ใช่เราจะอยู่นี่ต้องไหมกานเตรียมอะไรไบ้างจะไม่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหลัตายังมีไอเพบ่อเพนยังลังเป็นเด็กๆแม่จะนึ่งข้าวสุกล้วก็ตากแห้งไว้ ใส่ถุงใส่ถยไว้เวลานอนแม่มักจะเอาข้าแห้งไม้เขียนเอวให้แนะนำวิธีกินข้าวแห้งแต่บางคืนก็แม่พ่อหอบลงไปนอนในหลุมปากล้วยในบ้านตื่นขึ้นมานอนอยู่ในหลุม้องให้ก็ไม่ได้ จุดตะเกียงก็ไม่ได้อข้าวแห้งเถียนเอวตลอดเวลาคืนเนี่ยเวลาพ่อแม่เอาไม่ทันถ้าหิวให้เอาข้าวแห้งมาอมอย่าเคี่ยวอมมองอ ม, อมแล้วค่อยเกินน้ำ <c oughs> มันจะค่อยอ่อนลงเวลามันอ่อนก็มีน้ำลายเกินลงไป มันมีน้อยอย่าไปเชี่ยวเกินค่อยๆเกินน้ำมันเอามันจะได้หลายชั่วโมงกลัวที่จะได้พบเห็นกันกลวที่จะมีคนมาช่วยเหลืออันนี้ก็เตรียมเมื่อเดี๋ยวเราจะเดินทางไกลต้องมีอะไรที่เตรียมไว้ลา หนาวามีผ้าหม่มเวลานอนม่น้าดื่มเวลามีปัญหาเจ็บแค่ได้ป่วยก็มียาบรรเทาอะไรนิดนิดน้อยเวลาเราเจ็บทำไงเวลาเราเจอะทำไงเวลายาจะตายทำไงยอย่าให้จนเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการเกิดเจ็เจ็บตายนี่ไม่ใช่วัตถุอันอื่น เป็นเรื่องธรรมมีสติมีสมชายเห็นที่เหมือนเห็นการเกิดการเจการเจ็บกา ร, การตายความเจ่ความเจ็บความตายมันเป็นสิ่งที่ครอบงำเราแล้วเราทำจะไหนกันทำที่สิ่งเหล่านี้ให้มันไม่มีเจไม่เจ็บไม่ตายตอนนี้สำคัญไม่ใช่วัตถุ ซื่อหาเอาไม่ได้ต้องเอากายเอาใจนี่ไปศึกษาเอามีสติสมัญญะให้เห็นแล้วก็อย่าประมาทอะไรที่มันเกิดขึ้นให้รู้มีสติรู้ไปรู้ไปแต่ว่าการที่มันเกิดขึ้นอี่แรกก็เจอความหลงเห็นหลงเห็นรู้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 ใต่ไหมนี่หลงตาก็มีหมอนัดให้ไปหาหมอก็ช่วยแต่ว่าเวลาเก็บเวลาเจ่เวลาตายใครจะช่วยเราได้นอกจากเราหัดเราไว้เรามันก็หัดได้นะที่ว่าเป็นทุกข์มันไม่ต้องทุกข์ถูกความทุกข์ยางเอาแล้ว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 ความเป็นทุกข์เป็นปัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นปัญญาถ้าเราไม่ศึกษาก็เป็นปัญหาเมือม่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเสีอใจร้องไห้อกหักแล้วความไม่ทุกข์เกิดขึ้นเสีอใจร้องไห้อกหั ก, ห ก, หกเกียนตายเมือม่อความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นเสีอดาย ยึดมั่นถือมั่นไว้เนึกว่าตัวเราของเราเราก็ถูกหลงตรงนี้กันเป็นจำนวนมากเราจึงมาศึกษาดูมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่มีโทษมันมีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์มันมีโทษถ้าเราใช้มันเป็นเป็นดาบสองคมโทษ คนนอนโทษมหันฯสุก็มีทุกเป็นคู่อะไรที่มันอาเช่เป็นตัวของตัวมันนาพร้อมกันในจรจยธรรมพุทธธรรมมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมพุทธธรรมเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลก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 เปชีวิตเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นความรอนไม่เป็นผู้รอนเห็นความหนาวไม่เป็นผู้หนาวเห็นความหิวไม่เป็นผู้หิวเห็นความเจ็บความแก่ความเจ็บคนตายไม่เป็นผู้เจ็บผู้เจ็บผู้ตายนี่คือชีวิตชีวิตไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกถ้หาว่าเจ็บเป็นเจ็บชีวิตไม่มีแล้ว เจ็บเป็นเจ็บร้อนเป็นร้อนกูร้อนกูหนาวเอากูไปฝากไว้กับอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปผมนามมีตัวมีตนตนตรง น, นั้นอันตนแบบนั้นไม่ใช่ชีวิตมีแต่เกิดเจ็บเจ็บตายเป็นพพเป็นชาติเป็นพบเป็นชาติ เกิดขึ้นต้องอยู่ระปายเพบโะปูนแบบนั่นไม่กิลังยั่งยืนฉุกก็เป็นภพหนึ่งทุกก็เป็นภพหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารเป็นภพหนึ่งมันเกิดดับชีวิตเราก็ทุก อาการเกิดดับเหล่านี้ข้อมำมเกิดทีใดเป็นทุกๆุ ท, ทีเกินเกิดที่ใดเป็นทุกล้มไปเมื่อเรามีสติเห็นเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับรูปควานามแล้วก็เกิดปัญญาได้รู้แล้วในความไม่เที่ยงรู้แล้วนั่งเก่าถังขยะ ตอนที que, ่บรรทุกควาไม่เที ania, ่ยงเอาไปเที DIE, ่งในความไม่เที veut, ่ยงมันเป็นเช่นนั really, ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกเป็นทุกเอาไปเที่งในความเป็นทุกมันจริงแบบนั้นไม่ใช่เราในความไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เราในความเป็นทุก็ไม่ใช่ตัวตนเราไปเที่งเรานั่นแหละเป็นเถอ่อยะ อันใหญ่สามารถเอาไป hitting, า helmet, ทิ่งลงได้ถ้าเอาความไปเที่ยงท่องลงที่ยงลงความไม่เที่ยงเอาความไปทุกเที่ยงลงในความเป็นทุกเอาความไม่ใช่ตัวตนทิ่งลงในความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สะอาดเป็นภูมิจัน์ไม่เปื้อนๆความไม่เที่ยงไม่เปื้อนความเป็นทุกไม่เปื้อนความไม่ใช่ตัวตนเหมือน หน้าบ้านที่มีถังขยะหรือว่าสุโกโตที่มีถังขยะไม่มีที่ที่งเติไปที่ยงมันมีขยะในหัวใจในความเป็นทุกข์ก็มีทุกข์ในความเป็ทุกข์ที่ใดเป็นทุกข์ทุกทุกทีในความเป็นเที่ยงเกิดทุกทีใดในความเป็นทุทกข์ทุกทีหรือว่าขยะตเต็มไปหมด เพราะไม่หัดไม่ทิ้งยึดไว้ถือไว้หรือว่าเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไมา่ใชต่ตัวใช่ตนของเราทั้งแต่มันเป็นทุกข์ก็ยังเอามาเป็นทุกข์เช่นผมบางโพเขาพุดทธธรรมปืนอก ม, มีธรรมในตรงนี้ พุทธธรรมพุทธะรู้ตื่นเบิกบานธรรมะขนส่งขนชง่นชงออกขนส่งตัวเองออกธรรมะเป็นเรื่องขนส่งในพ้นปัญหาเหล่านี้พระอรหันต์บางรูปจนอุทา์ออกมาว่าชิตังเมชิตังเม ขี่ตังเมพุ่นแล้วพุ่นแล้วโอยพุ่นแล้วโอ๊ยก็ยจะให้เขียนไว้ที่โถที่ทําขีเสือนะ่นขี่เสือก็ว่าขี่เสือนี่คือพุ่นแลว้วพุ่นแล้วโอยพุ่นแล้วโอยแต่ก่อนเสือมันโต เราเห็นเสือที่จิ๋งจิ๋งเสือเลยจิงโตที่สิบ ส, สองปันนาม็มแสดงละครได้ขึ้นฟุตบอลฟุตบอลใหญ่ๆมันก็ขึ้นนั่งบนฟุตบอลว้เชียงไปไปทั้งหน้าถอยทั้งหลังถอยเป็นวงกลม จะวนไปทีอันขึ้นอยู่นั่งโยนพุทวนนั่นพุทธ ว, วนเท่ากันกันกบออคงน้ำเนี่ยเสือมัก็ตัวใหญ่สิงโตก็ตัวใหญ่ขึ้นนั่งโยนพุทวนทั้งสี่ขาไม่ได้เหยียบพื้นมันก็นั่งอยู่บนนั่นเยี่ยงไปยิ่งมาไปหน้าไปหลังวนเวียนอยู่ คนบอกเิ้งไปไหนมวยเก่งไปนั่นเอามาแสดงละครมาเล่นให้คนดูเสือมันตุมันยังหัดได้เรานี่มันก็อาจจะดูกลัวเสืออารมณ์นี่ยมันไล่กวัวเสืออารมณ์เป็นคู่กับใจมีนามมีรูปมีนามอารมณ์เป็นคู่กับรูปนามนี่ ครอบงำมนุษย์มันไล่กูเสือทําลายคนมามากกว่าเสือเชื้อไม่ค่อยมีการทําลายเท่าไหร่นี่อารมณ์มันไล่กูเสือถ้าขีมันได้ทำํำวักว่าทําไม่ใช่สัตว์บุคลตัวตนเราเขาอารมณ์ก็ไม่มีพิษภยัย ตั้งแต่เราศึกษาก้าวแรกหานตรงนี้กายสว้วกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเหลงโขทุกข์ที่เดือเวทนาก็จักว์เวทนาหรือทุกข์นั่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเหลงโขทำที่มันเป็นสิ่งที่อารมณ์มาครอบมา ทั้งรูปทั้งนามพรอสักว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรื่อความโกรธก็สักว่าความทุกข์ก็สักว่าของหลงสักว่าความลักของชั่งสักว่ า, คว า, ค, ว า, วาความดีใจเสียใจสักว่าทำมันทั้งหมดรูปง่ายหรือว่าทำได้เป็นความดีก็เป็นกุศลถ้าเป็นความชั่วก็เป็นอกนุศลให้รู้จักแยก กุศลควรทำอกุศลควรละถ้าเราเดินทางผิดอะไรผิดก็กลับใหม่ไปทางที่ถูกควมหลงไม่ถูกความไม่หลงถูกย่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้บางทีกลางคืนหาเรื่องมาหลงหาเรื่องไว้คิดเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดนั่นแหละกุศลอกุศลอยู่ตัวกันนั่นเอาเลย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 สารพัดประโยชน์นานเป็นเพื่อนกันใครใคก็มีสติง่ายๆ่ายไม่ยากถ้ามีสติอันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสงบร่มเย็นถ้าหลงก็วุ่นวายไอ้ตัวเรากวุ่นวายเมื่อเราวุ่นวายก็คนอื่นก็วุ่นวาย ไปอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายงั้นหายขี้เลื่อนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเรารักษาหายแล้วมันก็ไม่วุ่นวายรักษาได้ความหลงรักษาได้ความโกรธรักษาได้ความทุกข์รักษาได้เกิดเจ็บเจ็บตายรักษาได้เหนือการเกิดการแจอการเจอะการตายทําได้ ทำได้อยู่สังขารเปลี่ยนไปวิสังขารสังขารคือทุกข์สังขารคือถูกสังขารคือโอดโลดหลงเปลี่ยนได้อยู่อันนี้จเอาจะสังขาราสังขารเกิดขึ้นเราแล้วเกิดขึ้นเจรเราแล้วเนอะเกิดขึ้นเจรท่านเราเนอะโอปปาระยืดทำไม่โนมันอุปทานยืดไว้เฉยเฉยอย่าไปยืด โอคิดแต่ว่าดูชนติวางสาวางสาวางอันใดนึกว่ า, วาตัวเราสาไม่ใช่วางลงเตะสองมูอประจมโอชกโขเมืขขอม่อเปลี่ยนวางมันได้มันก็มีความสุขแ<ด>ทนที่ด่ากันทะเลาะกันแทนที่หมู่คนคิดกลายเป็นการเย็นขนาดเดียวกันนั่นเองสัมผัสเอามาเนี่โอโหพุทธธรรมพุทธธรรม ว่าโทว่าโทตื่นทุกข์ง้องมือเป็นหลังมืออย่างเนี้ยถ้าไม่ใส่ใจตรงนี้แล้วก็ปิดบังจุดไฟในที่มืดสองแสงสว่างในที่มืดตือลักษณะแบบนี้อาทิตย์สว่างในกลางวันพระจสว่างในค้างคืน ธรรมะสว่างทั้งกลางวันกลางคืนสว่างกลางคืนคือมันมืดสว่างกลางวานันคือสวมสุกสวทุกมืดสีขาวอย่าหลงรู้ขึ้นมาไม่หลงทั้งสุขไม่หลงทั้งทุกทุกก็เป็นสังขารสุข ก, ก็เป็นสังขารอย่าหลง หล้วพุทธธรรมมิอยในชีวิตเราเนี่ยมาเอามาใช้เอามาใชา้วิธีใชา้อชายชับนี่ก็มีหายใจเขา้ารู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอย่าไปใส่ใจอันสุขอันทุกข์กลับมาหาตัวเองนอนอยู่ก็หายใจเขา้าหายใจออก นั่งอยู่ก็หายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ไม่จนเรื่องนี้อย่าจนเอามาใชา้แต่ใช้เยองมากลักยาวให้หวั่นลักสั้นในต่อต่อความรู้เอาไว้ความหลงก็สั้นลงถ้าต่อความหลงความรู้สั้นลงจนหมดไปหมดไปเลยโกจนตายหลงจนตายทุกจนตาย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 มือท่านตบสองข้างเสียงดังได้เสียงมือฉัดออนดังก้องทั้งโหลกอเสียงมือท่านดังไกลไม่กี่ว่ากลมสงบมันดังกลมวุ่นวายมันนิดหน่อยได้กินแต่ตัวเองวุ่นวายแต่ตัวเองแต่เสียงสงบมันสงบไปทั่ว สัแติว่ามันสงบกายสัจติว่ากายมันดังมากไม่ใช่สุขทุกข์ทิเวทนาสักเวทนามันดังดังกว่าที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์จิตก็สกวัสดิจิตมันดังกว่าที่จะมันพุ่งสร้างธรรมสวัสธรรมมันดังกว่าที่ไปปงปงแต่งแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์ คุมรอยคุ้มดีถ้าเราไม่มี <c oughs> ไปกระว่ามันก็จนตรงนี้ถ้าจนตรงนี้ก็อนนไปเรื่อยๆไปโซ่ไหมแฉกคุญแจไม่ไขติดไปเรื่อยอะไรก็ติดถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็ง่ายง่ายมันขาขึ้นถ้าหลงก็ง่ายอันเราขึ้นมาสุขโตนะ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 มหาสมุตที่สูงหลลรงสู่ที่ต่มไม่มีอะไรขวางขั้นน้มาจากลำวะเทานี่ที่เกิดจากกูหลงไหลไปไหลไปไหลไ ป, ลไปบ้านบ้านนอนเมืองนี่มาหน้าวัดเราไปโ น, น่นไปนี่ไป แต่ตนตกลงมาน้าขีไปหน้าขีตกลงมาน้ามนไปหน้ามูลตกอยู่ตกลงมาน้าขงมาหน้าขงตกสูทะเลตะเดียกนตนนอนตะเลก็ถูกมหาสมุดถ้าเปลี่ยนได้เห็นแต่ลักษ์ตามความเป็นจริงเห็นกายสภาวะกายเวทนาจากเวทนากิจสวะจิตธรรมสวะต่ำเอียงไปไหลไป เทไปสู่มรรคสู่ผลเริ่มต้นเห็นเนี่ยเห็นไม่เป็นน่ไปแล้วหลุดโซ่ไปแล้วหลุดหลักหลุดต่อไปแล้วเห็นไม่เป็นพ้นไปแล้วพ้นจากสุขไปแล้วพ้นจากทุกข์ไปแล้ว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 เรื่องแรกแรกก็เห็นกายเนี่ยมันจะหลงกายสิ่งที่มันเกิดกับกายมักจะเป็นตัวเป็นตนเช่นความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความหิวความอะไรต่างๆมันจะเป็นมันเคยชินมันเป็นบางทีอาจจะร่องโอยปวดเขา่า เวลาล่องโอยหน้าตาก็าโวยโลอยๆลอยไปล่วงลอยไปถ้าเห็นมันจะเยิ้มเยิ้มซะหน่อยเห็นมันปวดหัวเลาะมันเยิ้มเยิ้มไม่โวยมันก็เปลี่ยนลักษณะวิถีชีวิตถ้าโวยในหนักถ้าเห็นในเบาๆไม่เป็นยิ่งเบาที่เกิดกับกาย ที่เกิดเกิดใจก็เหมือนกันโอ้ยเหมือนกันไม่ไหวไม่ไหวตายตายตายแย่ย่างแย่อย่างนี่ไม่ไหวย่างนี่ไม่เอาอต่นี่เอามันก็ยังติดโซ่อยู่ถ้าเห็นจากว่าจิตมันก็ไปแล้วแต่ที่เกิดจากจิต ความรัความชังความโกรธความอิจฉาพยาบาทอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเห็นไม่เป็นแล้วก็เบาไปอาจะหัวเราะความโกรธหัวเราะความทุกข์หัวเราะความหลงหัวเราะ ค, ความเกลียดความชังดีใจเฉือยใจนั่นเป็นอาการไม่ใช่ใจในั่เป็นอาการของนามธรรม ความร้อความหนาวความปวดความเมื่อยความหิวเป็นอาการของรู ป, ปรธรรมนั้นเป็นรู ป, ปรธรรมมันเป็นนามธรรมการทวงสุความทุกข์ที่เกิดจากรู ป, ปรธรรมนามธรรมเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมารรมจารย์พูดแเ้าพุทธิคดิความหลงเป็นสมมุติเป็นสมมติบัญญัติ ความหลงให้เป็นความรู้เป็นปรมาจิตจะมันจริงกว่ากันความหลงไม่มม จ, จ, มจริ ง, ง, ง, รงความไม่หลงจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงแ ป, ปละมัธวัตถุอาการขายก็เป็นวัตถุด้วยลูกนามก็เป็นวัตถุด้วยว่า น, นามมี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 เมื่อมีการสมบัญญัติก็มีอุปทานยึดว่าเราว่าเราว่าของเราเป็นภพเป็นชาติตรงนั้นในโอปทานยึดสุขของเราทุกข์องเรามันโตนื้เงินไปอย่างนี้มันเป็นสูตรอย่างนี้สูตรลื้อถอนเป็นอย่างนี้สูตรไม่ลื้อถอนก็เป็นอย่างนี้ พรเจ้าจึงเห็นว yes. so, so, uh, so, uh. ่าโคงเรือนทั้งหมดเราลุจฉะเศร้าเฉล้วโยดเรือนเราลื้อเฉลียวคงเรือนทั้งหมดเราลื้อเสียวคือลื้อจากที่นี้ด้วจากวัตถุอาการเหล่านี้ต่อไปทุกสุขทุกขจะไม่มีอะไรแกเราอีกแล้ว จิตของเราถึงจิตของเราถึงเล่าซึ่งสภาพอะไรปงแต่งมาได้อีกต่อไปมันถึงพระนิพพานมันก็ไปอยากนี้ไม่ใช่จะอยู่ๆจบห่อหิวไปที่ไหนความทุกข์เย็นลงค ว, ความโกรธความโลภความหลงอาการต่างๆเงย็นลงสักแต่ว่าตาเห็นลูกสักแต่ว่าหูได้ยินเสียงสักแต่ว่า จมูกได้กินเล่นและลดกายสามัมผัสจิตใจคิดนึกสักแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรถ้าเราไม่มีสติมันจะไม่สักแต่ว่าเป็นภพเป็นชาติเกิดแต่เหตุดับต่เหตุก็อยู่ตรงนี้อย่างในปริจารชโมบาทตามที่ทำไม่เกิดทิจเดีที่ยอดเยี่ยม ผู้ใดเห็นธรรมพุทนั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นเราตถาคตผู้นั้นไม่เห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอย่างนี้สมุบปฏิจตสมุปบาทคืออะไรคือความไม่รู้อวิชชาเมื่อมีอวิชชาคอยเกิด สังขารกรุงแตงแปลงสังขารเกิดนามรูปสุขทุกข์เป็นนามรูปดีใจเสียใจเป็นนามรูปนามรูปก่นเกิดอริยตนะมันก็ต่อกันไปอาิยสนะเกิดภัสฉะปัจาะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตนาอุปทานเกิดภพกเกิดชาติเช้าอามณะโสกปฏเทวทุก เกิดดับเกิดดับตายตรงนี้แล้วก็เพราะมีวิชามีสติมันก็เป็นวิสังขารมันก็ถวนกลับขึ้นมาเมื่อไม่มีสังขารก็ไม่มีนามรูปนี่แต่รูปนามธรรมดานามรูปที่เกิดดับเกิดดับไม่มี อริยสัะก็ไม่มีสัญญาสขานวิญญาณไม่มีชาติพบไม่มีจะว่าสิ้นพบสิ้นชาติตรงนี้มันไม่ใช่ไม่มีอะไรที่มันไม่เห็นทำเห็นอยู่เหมือนเราจะลื้อบ้านนิธิลื้อทำไงตอนสลายหลังนี้จะลือ้อมันจะทำยังไงนี่ยจะไปขุดออกเลยเหรอมันทำไม่ได้ ต้องเอาแปมันออกนอนหลังขานอนค่อยๆลื่อลงมาหลื่อลงมาจนเอาเสาออกเป็นขั้าสุดท้ายเพราะมันรู้ความหลงเป็นขั้าสุดท้ายเพราะมันรู้ความโกรธเป็นขั้นสุดท้ายเพราะมันลูกความทุกข์เป็นขั้นสุดท้ายอย่างนี้เรียกว่ามันมี มันมีสูตรแบบนี้สูตรของคนอ่ะไม่ไปที่ไหนอันเดียวกันความหลงก็อันเดียวความโกรธความทุกข์อันเดียวเป็นทุกข์ก็แบบเดียวกันควไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควมไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์ควมเป็นทุกข์เป็นทุกข์แควมไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ควมไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นทุกข์ควมเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์อันเดียวที่นี่ ไม่ใช่คนอ่านอย่าเอาเพศเอาไว้มามาขวงขัน้นนักปวดคาววะคนหนุ่มคนแก่ไม่เกี่ยวชอดใดนุ่งผ้าสีใดอะไรใดไม่เกี่ยวเอหนังสือได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวความรู้ความหลงมีทุกคนอ่านตรงนี้แก้ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ถ้าไม่อ่านตรงนี้อ่านไม่ออกจนตรงนี้มืด หลงเป็นหลงปูตุชนเนื้อหนามืดบึกหนาสาหดถ้าหลงเป็นรูดหรืยว่าเรียกว่ามีปรญญาแล้วใครก็ทำได้อย่าไปอ้างมันสมองไม่ต้องไปใช้มันสมองความคิดเหตุผลเหตุผลไม่ใช่จะจะทำคผมหลงผมไม่หลงเหนือเหตุเหนือผล กวมทุกข์กลวมไม่ทุกข์หน่อยเหตุเนอผ ล, ผลแม้นว่าล่ะฮ <c oughs> <c oughs> ะเ <c oughs> นี่บยบ่าใช่หลวงพ่อว่นไหมไม่ใช่หลวงพ่อมันมีอยู่ในเราละ่ะควมหลงกับกไม่หลง <c oughs> ใครเป็นคนบอกใครเป็นคนเห็น <c oughs> เรานี่เป็นคนเห็นใช่ไหมไมี่ชีสาธุ <c oughs> กับพระพ่อกันบ